อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มารบกวนจิตใจอันนี้เป็นทางสุดโตงนะไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางจะเป็นไปได้ก็แต่เมื่อเราวางใจไว้พอดีพอดีแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะรักษาใจให้พอดีได้บางครั้งเราก็อาจจะเฉยเนื้อยเฉยแฉะแล้วก็ปล่อยใจลอย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 ตอนหลังก็30ปีสุดท้ายก็50ปีเพราะอะไรนะก็เพื่อที่จะทำให้พ่ออาจารย์นี่เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้นี่มีความทะเยอทะยานมีความฮึกเหิมมีความอยากมากอยากจะสำเร็จเพลงดาบเร็วๆอาจารย์ก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้เลิกหวังเพราะว่าไอ้ความทะเยอทะยานหรือว่าความฮึกเหิมมุ่งมั่นอยากจะสาเร็จ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 เง่อความอยากหรือว่าความกระตือรือร้นความทะเยอทยานความพึกเขิมอันนี้มันเป็นอุปสรรคสำหรัการปฏิบัติพระพุทธองค์ก็เคยเจอนะพระที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติมากเรื่อมีไฟไฟแรงพาราหมณ์นั้นก็เป็นอุปัถาของพระองค์เองก่อนพระอานนท์ก็คือพระนาคิตะพระนาคิตานี่ะ เ, เป็นพุทธอุปัถา คาวนึงก็ได้บินธบดีได้จาริปไปกับพระพุทธองค์ก็เห็นสวนเห็นป่ามะม่วงที่ล่มรื่นก็ชอบอยากจะปฏิบัตินะปรีวิเวกในป่านั้นตอนนั้นมีความต้องการมากก็เลยทูลขอพระพุทธเจ้าว่าขอจะปริวิเวกไปสวนป่านี้พระพุทธองค์ก็สังเกตดูก็รู้ว่าจิตใจของพระนักิตะนั้นยัง ยังไม่พอดีคือยังมีความอยากอยู่มากก็เลยนวงเหนียวเอาไว้บอกว่าอย่าพึ่งเลยนะตอนนี้อยู่กันสองรูปเอาไว้ให้มีอุปถาะมาแทนเธอก่อนถึงค่อยไปพระองเหนียวอยู่หลายครั้งเพราะนาคิตาทีแรกก็ก็อยากจะไปให้ได้พอไฟนี่กาลัางแรงแต่ว่าพอพระพรุทธองค์เหนียวสองสามครั้งในสึกก็ไม่อาจจะ ทานฝื้นการทัดทานงพระพุทธองค์ได้ก็เลยอยู่กับพบระพุทธองค์แต่การที่ได้อยู่นันก็ทำให้ความอยากนี่มันเพ่าลงไฟนี่ก็ค่อยค่อยๆหลยีลงจนกระทั่งพอดีพอดีพระองค์ถึงให้ไปปฏิบัติก็ทำให้การเจริญกรรมฐานก้าวหน้านะเป็นลาดับอันนี้นะคือเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าการที่เรามีความอยาก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 ที่ละเอียดอ่อนมากเท่านั้นอังนั้นการบำเพ็ญทางจิตเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดกว่างานเรียนหนังสือหรือการทำงานทั้งโลกเพียงแค่หยดเอาเพียงแค่มีความอยากเข้าไปมากๆเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมอยากจะเอาชนะความที่อยากจะมีสติมันก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันทีสาหรับการปฏิบัติคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกด้วยการพยายามที่จะ ผลักดันตัวเองฝืนธรรมฝืนคนเวลามาปฏิบัติบำเพ็ญทางจิตนี่จะรู้สึกว่ามันยากจะเรียกว่าล้มความขมา ง, งายหรือล้มลุกคลุกคลาเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพจิตอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับ ก, การที่จะมาปฏิบัติหรือมาทำงานที่ละเอียดโดยเพราะการบำเพ็ญทางจิตคือการเจริญสติหรือว่าการทาสมาธิภาวนาเราก็ต้องรู้จักที่จะ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 มือจับแผ่นก็เกรงตัวเกรงแขนเกรงเพราะอยากจะขับเป็นไวๆก็ไม่มีทางที่จะขับได้แต่ถ้าเราทําใจสบายๆแล้วก็กายก็สบายด้วยจะไปตึงนะอย่าไปเกร ง, างการขี่จักรยานก็จะเป็นเร็วแล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องเกรงเลยเลยมันสบายนะขี่จักรยานนี่นสบายไม่ต้องเกร็งเลยทั้งสิ้น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 จะไปบังคับก็ไม่ได้นะเราจะใช้วิธีบังคับเด็กซึ่งอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้เรือจะเป็นหลานของเราก็ได้บังคับไม้เขาเป็นไปตามใจเราสุภาพเรียบร้อยอยู่ในอว่าของเราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึง่งคือถูกตามใจจนเคยตัวหัวใจของเราเนี่ยถูกตามใจจนเคยตัวถึงเวลาจะฟุ้งก็ปล่อยให้ฟุ้งถึงเวลาจะโกรธก็โกรธเราหลุดไปเผลอก็ไปแหนมะลมอยู่เสมอ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 ยังไม่เรียนรู้เรายังไม่ยอมรับความจริงว่านี่แหละคือธรรมชาติของใจเราณนะวันนี้ณนะนาทีนี้ณนะวินาทีนี้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าธรรมชาติหรือนิสัยของใจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมัปก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องอาศัยการฝึกปลื้กล่อมเกล้าด้วยการมาปฏิบัติอย่างนี้แหละทําซ้ําๆซากๆอย่าไปลาคาญอย่าไปรังเกียจ ค, ความซ้ําเดิม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 อายุสองสามขวบต้องหมดนื้อสายการทำซ้ำๆจนคุ้นเคยใจยเรานี่แหละนะเมื่อเราปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวในกายและใจอยู่เสมอการที่หัดระลึกจำระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ยามที่ใจลอยฟุ้งซ่าน ขณะที่กำลังเดินจงกรมขณะทีสร้างสร้างจังหวะตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนไม่รู้แต่พอระลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันการระลึกได้ช น, นี้อยู่บ่อยๆจะทำให้สตินีวัยแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นต้องระลึกบ่อยๆนะระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นวัขึ้นวัขึ้น เหมือนกับเราท่องสูตรคูณเหมือนกับเราท่องอาคยาไม่รู้สมัยนี้ท่องกันหรือเปล่าท่องสูตรคูณใหม่ๆก็ท่องจะนึกนะว่าห้าคูณเเป็นเท่าไหร่นี่มันใช้เวลาแต่พอท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆนี่ลึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนี่พอเห็น5้คูณเก็ตอบมาทันทีเลยส5มันออกมาเองสติแล้วก็เหมือนกันพอเราเราลึกอยู่บ่อยๆเราเรื่อยบ่อยาก็จะมาบอกเองมาตเตือนเราเองเมื่อเราเผลอฟุ้งไป อันนี้มันเป็นหน้าที่ของสติหน้าที่ของเราคือว่าทําความเจริญงองงานไม่แก่สติเมื่อเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกให้ต้นไม้โตไวๆการที่ต้นไม้จะโตไวหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือรดน้ำปรวนดินส่วนเรื่องการเจริญเติบโตนี้เป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะออกดอกออกผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขา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 เปืองจิกออกจากอารมณ์ให้เป็นอิสระปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสติอย่าไปแทรกแซงอย่าไปทำเกินหน้าที่แต่ว่าระหว่างที่กาลังเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องเจอกับอารมณ์ต่างๆมากมายมันไม่ต่างจากการที่เรามากวาดบ้านที่ถูกทิ้งรกร้างไว้เป็นปีๆลองนึกถึงบ้านหรือศาลาที่ถูก พิงลกล้างใหเป็นปีๆเนี่ยเมื่อเราจับไม้กวาดมากวาดทําความสะอาดบ้านหรือทําความสะอาดศาลาเกิดอะไรขึ้นฝุ่นมันก็ฟุ้งตลบเลยถามว่าจะยอมแพ้ไหมถ้ายอมแพ้ก็ไม่มีวันที่ศาลาหรือบ้านจะสะอาดได้ก็ต้องยอมนะบางคนบอกว่าอตอนแม่ปฏิบัติไม่เห็นฟุ่งซ่านเลยขณะ น, นี้แต่พอมาปฏิบัติฟุ้งเยอะ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 ได้รู้ตัวว่าเครียดอันนี้ถือว่าถูกแล้วละ่ะปฏิบัติถูกแล้วรู้ตัวว่ากาลังสับสนรู้ตัวว่ากาลังงุดงิดอันนี้แหะถูกแล้วอะไรเกิดขึ้นกับใจขอให้รู้ไม่ว่าจะบวกหรือลบไม่ใช่ว่าจะต้องรู้รู้เห็นสิ่งที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีถ้าเกิดขึ้นกับใจแล้วรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นนั่นแหละ ถูกทางแล้วใครมาถามว่ารู้อะไรบ้างรู้ว่ากําลังเครียดรู้ว่ากําลังสับสนรู้ว่ากำลังเบือ่อรู้ว่ากำลังง่วงอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิปัสสนาล่ะ ว, วิปัสสนานี่มันไม่ใช่เป็นคําที่ห่างไกลจากการรับรู้ของเราแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนการที่เรารู้ตัวเลยเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น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 อย่าไปผลักไสอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจแต่ก็อย่าไปคลอเคลียคุกเคลากับมันบางคนจะเข้าไปผลักใสมันอยากจะขับไล่มันสุดท้ายก็ถูกมันกินไปเลยเวลาอย่าไปผลักใสความโกรธความเครียดสุดท้ายเราเองกลายเป็นผู้โกรธผู้เครียดมันฉลาเนะีมันล่อเรามันมีแรงดึงดูดนะอารมณ์พวกนี้เผลอจะเข้าไปจัดการมันมันนะ่ะ